ถามเดิมทีแฟนเป็นพุทธแต่คุณแม่ของเขาเปลี่ยนศาสนาแล้วมาชวนซึ่งแรกๆเขาก็ไม่สนใจกลับจะต่อต้านด้วยซ้ำแต่ต่อมาเขาเกิดปัญหาแก้ไม่ตกแล้วก็เกิดนึกถึงที่พึ่งที่อบอุ่นเลยเปลี่ยนใจไปทางนั้นนี่เป็นกรรมร่วมกันมา ก, กับคุณแม่เขาใช่ไหมตอบเท่าที่สังเกตนะครับพวกที่ต่อต้านความเชื่อไหนไว้มากๆ ด่าทอหรือดูถูกดูหมิ่นศาสนาไหนไว้แรงๆก็เหมือนไปผูกเวรเอาไว้แล้ววันหนึ่งจะเกิดความใจอ่อนเพื่อรับเวรที่ตนผูกขึ้นทำนองเดียวกับที่คุณไปทำร้ายร่างกายคนดีๆคนหนึ่งตอนทําอาจเต็มไปด้วยโทสะครอบงำเนิ่นนานต่อมาพอไฟโทสะมอดลงแสงแห่งความสำนึกผิดชอบชั่วดีฉายสว่างขึ้นในใจก็ยอมเกิดความเสียอกเสียใจอยากชดใช้ความผิด และเห็นว่าตนเองแย่กว่าชั่วร้ายกว่าและไม่มีอะไรดีเหมือนคนดีที่ถูกคุณทําร้ายเอาเปลอบเลศา ส, สนาหนึ่งศา ส, สนาหนึ่งเป็นยิ่งกว่าคนดีเพราะศาสนาเป็นความอบอุ่นเป็นที่พึ่งทางใจคนเราพอตกอับรู้สึกเหน็บหนาวก็ยอมนึกถึงที่พึ่งอันอบอุ่นและนั่นเองศา ส, สนาใดที่คุณเคยไปทําร้ายเอาไว้ก็มักจะผุดขึ้นมาในความนึกคิดเป็นอันดับต้ น, ตน สายใยแห่งเวรจะดึงดูดเข้าไปหาเองโดยเฉพาะศาสนาที่ยืนพื้นอยู่บนศรัทธาความเชื่อจะดึงดูดได้ง่ายเป็นพิเศษในห่วงเวลาที่คนเรายืนด้วยขาตนเองไม่ได้คือไม่พร้อมจะใช้เหตุผลใดๆมีการโจมตีจากต่างศาสนาหลายคำที่อาจทำให้พวกเรายอมจำนนเช่นว่าถ้าวิบากกรรมมีจริงทำไมทาดีมานานอยู่ๆถึงย่ำแย่ลงได้ นั่นเพราะคนเราไม่มีอำนาจใดๆความดีกองภูเขาก็ไม่พอต้องรอการพิภากษาจากเบื้องบนและนั่นเองมนุษย์ทั้งหลายจึงยอมเชื่ออย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยความรู้สึกจนแต้มสู้อย่างไรก็แพ้ความจริงก็คือถ้ามีเหตุผลถ้ามีความเข้าใจธรรมชาติดีๆเราจะเลือกใช้ชีวิตตามธรรมชาติมากกว่าที่จะคาดหวังให้ธรรมชาติรับใช้ชีวิตเรา ธรรมชาติแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าทุกสิ่งมีขึ้นมีลงมันอยู่ที่ว่าเราจะเห็นความจริงนี้ในฐานะผู้ยืนดูอย่างวางเฉยหรือเอาตัวเองเข้าไปเป็นผู้ถูกกระทาและร่าร้องเรียกหาความช่วยเหลือวิธีเลือกของเราจะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มว่าจะนับถือศาสนาไหนการเลือกนับถือศาสนาอาจมีญาตเป็นพลังชักนาแต่ญาตไม่ใช่ตัวแปราสาคัญเท่ากับวิธีคิด วิธีเลือกตัดสินใจของเราเองครับ